ท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอริยสาวกผู้ใดเลื่อมใสยอย่างยิ่งแน่วแน่ถึงที่สุดในตถาคตอริยสาวกนั้นจะไม่สงสัยหรือแคลงใจในตถาคตหรือศาสนาหรือคําสอนของตถาคตแท้จริงสําหรับอริยสาวกผู้มีศรัทธาเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจักเป็นผู้ตั้งหน้าทําความเพียร เพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายและบาเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายให้พร้อมบูรจักเป็นผู้มีเรี่ยวแรงบากบั่นอย่างมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลายส่วนข้อเสียก็มีดังพุทธพจน์ในปุคละภาษาทสูตรอังคุตรรนิกายปัญจาการนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายข้อเสียห้าอย่างในความเลื่อมใสบุคคล มีดังนี้คือหนึ่งบุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้สงยกวัดเขาจึงคิดว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงยกวัดเสียแล้วสองบุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัตอันเป็นเหตุให้สงบังคับให้นั่งณนะท้ายสุดสงเสียแล้วสา บุคคล น, นั้นออกเดินทางไปเสียที่อื่น 4. บุคคล น, นั้นลาสิกขาเสีย 5. บุคคล น, นั้นตายเสียเขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่นๆเมื่อไม่คบหาภิกษุอื่นๆก็ไม่ได้สดับสัตยธรรมเมื่อไม่ได้สดับสัตยธรรมก็เสื่อมจากสัตธรรมเมื่อความเลื่อมสาศรัทธากลายเป็นความรัก ข้อเสียในการที่ความลำเอียงจะมาปิดบังการใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นอีกใช่นนเปรมสูตรอังคุตตระนิกายจตุกรนิบาศพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่ประการ น, นี้ย่อมเกิดขึ้นได้คือความรักเกิดจากความรักโทสะเกิดจากความรักความรักเกิดจากโทสะโทสะเกิดจากโทสะ โทสะเกิดจากความรักอย่างไรบุคคลที่ตนปรารถนารักใคร่พอใจทูคนอื่นประพฤตต่อด้วยอาการไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจดังนี้เขาย่อมเกิดโทสะในคนเหล่านั้นแม้แต่ความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระศาษษษสดาเองเมื่อกลายเป็นความรักในบุคคลไปก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้น หรืออิสรภาพทางปัญญาในขั้นสูงสุดได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละเสียแม้บางครั้งจะต้องใช้วิธีค่อนข้างรุนแรงก็งทรงธรรมเช่นในวัคคลิสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวักกรณีของพระวักะลิซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์อย่างแรงกล้าอยากที่ติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดได้เห็นพระองค์อยู่เสมอ ในระยะสุดท้ายเมื่อพระวกกะลิป่วยหนักอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าส่งคนไปกราบทูลพระองค์ก็เสด็จมาและมีพระดำรัสเพื่อให้เกิดอิสรภาพทางปัญญาแก่พระวกกะลิตอนหนึ่งว่าดูก่อนวกักกะลิเธอไม่มีความราคาญไม่มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือพระวักกะลิทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ แท้ที่จริงข้าพระองค์มีความรำคาญไม่น้อยมีความเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเลยตรัสถามว่าวกกะลิก็โตเธอเองไม่ติเตียนตนเองได้โดยศีลบ้างหรือทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญตัวข้าพระองค์เองจะติเตียนได้โดยศีลก็หาไม่ตรัสถามว่าวกกะลิก